สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธอพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรม1นงพงศษัตรบ ท, ที่สิบเอ็ครับข้อที่26จนถึงข้อสุดท้ายแล้วครับในบทที่1 1นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเยโรโบอัมเยโรโบอัมนั้นกระบากับโซโลมอนครับและก็ในที่สุดนั้นโซโลมอนก็สิ้นพระชนและจากโลกนี้ไปเราจะอ่านตั้งแต่ข้อที่26นะครับจนถึงข้อสุดท้าย ข้อที่43นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเยโรโบอัม บ, บุตรเนบัตก็กระบทต่อกษัตริย์ด้วยเขาเป็นข้าราชการคนหนึ่งของซูลมอนเป็นคนเผ่าเอฟราอิมจากเซเรดามานดาเป็นหญิงไม้ชื่อเซรุวาเรื่องราวการกระบฏของเยโรโบอัมมีดังนี้ซูลมอนทรงปฏิสังขรณ์ป้อมมิโล ซ่อมแซมกำแพงเมืองของดาวิดราชบิดาของพระองค์เยโรเบอัมเป็นคนที่มีความสามารถมากเมื่อโซโลมอนทรงเห็นว่าเป็นคนหนุ่มหน่วยก้ารดีก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการกองโยธาจากตระกูลโยเซฟวันหนึ่งขณะที่เยโรเบอมกําลังออกจากเมืองเยรูซาเล็มก็พบกับผู้เผยพระชนะอาฮิยาจากเมืองชิโลซึ่งสวมเสื้อคลุมตัวใหม่ คนทั้งสองอยู่ตามลำพังกลางทุ่งอาิยาก็ฉีกเสื้อคลุมของตนออกเป็น12ชิ้นแล้วกล่าวกับเยโรบามว่าจงรับไป10บชิ้นเพราะพระยาเวพระเจ้าอิสุเอลตรัตว่าดูเถิดเราจะฉีกอาณาจักรจากมือโซโลมอนและยกให้เจ้าสิบเผา่าแต่เราจะเหลือไว้ให้เขาเผ่าหนึ่งเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเรา และกรุงเยรูซาเลม็มซึ่งเราได้เลือกสรรจากเผ่าทั้งปวงของอิสราเอลทั้งนี้เพราะพวกเขาได้ละทิ้งเราไปกราบไหว้พระอัชเทโทเรตเทวีของชาวไซดอนพระเคมอชเทพเจ้าของชาวโมอับและพระโมเลกเทพเจ้าของชาวอัมโมนเขาไม่ได้ดำเนินในทางของเราไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเรา และไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และบทบัญญัติของเราเหมือนดาวิดราชบิดาของเขาแต่เราจะไม่ริบทั้งอาณาจักรไปจากมือของโซโลมอนเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ที่เราได้เลือกสรรผู้ซึ่งเชื่อฟังคำมัญชาและกฎเกณฑ์ของเราเราจะอนุญาตให้โซโลมอนครองราชไปตลอดชีวิตเราจะรับริบอาณาจักรของจากมือลูกของเขาและยกให้เจ้าสิบเผา่า เราจะยกเผ่าหนึ่งให้ลูกของเขาเพื่อดาวิดผู้รับใช้ของเราจะมีดวงประทีปดวงหนึ่งต่อหน้าเราเสมอในเยรูซาเล็มนครซึ่งเราได้เลือกที่จะสถาปนานามของเราส่วนเจ้าเราจะตั้งเจ้าให้ปกครองเหนือทุกสิ่งที่ใจของเจ้าปรารถนาเจ้าจะเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลหากเจ้าทำทุกอย่างตามที่เราสั่งดาเนินในทางของเรา และทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเราโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และคามัญนชาของเราเหมือนอย่างกับดาวิดผู้รับใช้ของเราเราจะอยู่กับเจ้าและจะสร้างราชวงศ์ที่มั่นคงให้แก่เจ้าเหมือนที่เราทำเพื่อดาวิดและยกอิสราเอลให้เจ้าปกครองเราจะกำราบวงวานของดาวิดด้วยเหตุนี้แต่ไม่ตลอดไปส่วนมอนสรงพยายามที่จะสังหารเยรูามแต่ เยบรมหนีไปพึ่ง ก, กษัตริย์ชิชักแห่งอียิปต์และอยู่ที่นั่นจวบจนโซโลมอนสิ้นพระชนม์เหตุการณ์อื่นๆในรัชมสมัยโซโลมอนคือพระราชกษษษิจและพระปรีชาญาณทั้งปวงที่ทรงสำแดงมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุของโซโลมอนไม่ใช่หรือโซโลมอนทรงครองราชเนื้ออิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลา4ี่สปีแล้วทรงล่วงรับไป อยู่กับบรรพบุรุษและถูกฝังไว้ในเมืองของดาวิดราชบิดาของพระองค์และเรโหโบอัมราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นของราดแทนพี่น้องครับอาณาจักรที่ทรงอำนาจและรุ่งเรืองของกษัตริย์โซมอนกาลังล่มสลายแล้วครับแถที่จริงแล้วอาณาจักรนี้ควรจะได้รับการอวยพรตลอดไปต่อจากอาณาจักรของดาวิด แต่อาณาจักรนี้กลับมุ่งหน้าไปถึงจุดจบโซโลมอนเพราะโซโลมอนครับเพราะโซโลมอนคนเดียวที่ได้รับพระสัญญาได้รับการทรงนำได้รับสติปัญญาและได้รับคําตอบจากพระเจ้าแต่โซโลมอนกลับปล่อยให้ความบาปเข้ามาครอบงําและกัดกินประเทศชาติกัดก่อนชีวิตของผู้นําตัวเขาเองจนในที่สุดเขาไม่สนใจพระเจ้าอีกต่อไปแล้ว พระธรรมสวดีบทที่127ครับซึ่งเขียนโดยโซโลมอนกล่าวว่าหากองค์พู้เเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้สร้างก็เหนื่อยเปล่าโซโลมอนได้เริ่มต้นว่างรากฐานกับพระเจ้าเริ่มต้นได้ดีครับแต่จบไม่ดีเขาไม่ได้สารต่อจนสำเร็จในบ้านปลายชีวิตผลก็คือโซโลมอนสูญเสียทุกอย่างครับโซโลมอนสูญเสียจักสิบเผ่านะครับ ให้กับเยโรโบอัมซึ่งเป็นกระบทการเริ่มต้นชีวิตของโวมันเริ่มต้นได้ดีครับแต่ว่าไม่จบลงด้วยดีฟินิชไม่ดีครับฟินิชอันเวลฟินิชไม่ดีพี่น้องครับเปรียบเทียบกับชีวิตสมรสของเราหรือการสร้างครอบครัวของเราอาชีพการงานของเราหรือแม้กระทั่งรกรจจการของเรา เริ่มต้นอาจจะสร้างอย่างถูกต้องครับแต่พอต่อมานั้นก็เริ่มเบีเ่ยงเบนไปเพราะว่าเราสนใจทางโลกมากกว่าทางของพระเจ้าเพราะเราเชื่อวิถีของโลกมากกว่าวิถีของพระเจ้าและเราตัดสินใจที่จะดําเนินตามหลักการของโลกมากกว่าหลักการของพระเจ้าพี่น้องครับการที่เราเริ่มต้นอย่างถูกต้องยังไม่เพียงพอเราจะต้องสัตซ์ซื้อเราจะต้องเมนเทน ความศักดิ์สิทธของเราการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าไปจนถึงที่สุดพระเจ้าต้องการครอบครองชีวิตของเราตั้งแต่ต้นจนจบครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเอโดมใช่ไหมครับซึ่งเป็น เ, เดิมทีนั้นก็เป็นญาติกับทางอิสอราเอลครับแต่เมื่อเขาไปนวัตการพระต่างชาติก็คือพระที่ตัวเองนั้นรับเข้ามา เอโดม ก, ก็เริ่มต้นเพียนไปครับจนกระทั่งกลายเป็นศัตรูของอิสราเอลและในที่สุดก็เป็นผู้ที่มีผลต่อการดำรงต่อไปของอิสราเอลมีผลต่อการกรบฏของอิสราเอลและกษัตริย์ต่างๆที่เป็นศัตรูของอิสราเอลนั้นก็นแล้วแต่การที่อิสราเอลนั้นไม่ได้รับผิดชอบทําตามสิ่งที่พระเจ้าบัญชาให้ทำในที่สุดก็เกิดปัญหาบานปลายขึ้น และสิ่งต่างเหล่านี้ครับทำให้อนจาจักของโซโลมอนนั้นก็ล่มสลายในที่สุดและผู้ที่เป็นกบฏนั้นก็คือเยโรโบอัมครับในพระคมภีรได้กล่าวว่าเยโรโบอัมนั้นเป็นบุตรของเนบัตนะครับเขากบฏต่อกษัตริย์โซโลมอนแท้จริงแล้วเดิมทีเขาเป็นข้าราชการที่โซโลมอนนั้นไว้วางใจครับเป็นคนเผ่าเอฟราฮิมและมีมารดาเป็นหญิงไม้ เรื่องราวการกระบฏก็ในขณะที่โซโลมอนทําการปฏิสังขรณ์ป้อมมิโลซ่อมแซมกําแพงเมืองของดาวิดเยโรบอัมเป็นคนที่มีความสามารถมากเยโรบอัมนั้นโซโลมอนได้ให้ความไว้วางใจครับเป็นคนหนุ่มหน่วยก้ารดีก็แต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการกองโยธานะครับจากตระกูลโยเซฟเพียงครับตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าคนที่เป็นกระบทนั้น อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับอยู่ใกล้ๆตัวโซโลมอนนี่แหละครับในวันหนึ่งขณะที่เยโวรวาอัมนั้นออกจากเมืองเยรูซาเล็มก็ไปเจอกับผู้เผยพระชนะอาหิยาจากเมืองทิโลเขาสวมเสื้อคุมใหม่ครับอาหิยามาเจอเยโวรวาอมปุ๊บอาฮิยารู้เลยว่าคนนี้จะเป็นคนที่พระเจ้าจะให้เป็นกระบดครับในที้สุดเออาหิยาครับก็ฉีกเสื้อคุมออกเป็น12ชิ้นมีความหมายว่า12เผ่าครับสิเผ่าคุณเอาไป รับไป10ชิ้นและบอกว่าพระยาเว์พระเจ้าแห่งอิสราเอลจะฉีกอาณาจักรจากมือโซโลมอนและยกให้เจ้าสิบเผ่าแต่เราจะเหลือไว้ให้เขาเผ่าหนึ่งก็คือเผ่าของยูดาหเพื่อเห็นแก่ใครครับไม่ได้เห็นแก่โซโลมอนครับอฮิยาผู้เผยพระญาติบอกว่าเห็นแก่กษัตริย์ดาวิดครับเห็นแก่กษัตริย์ดาวิดเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดนั้นรักษาพันธสัญญาของพระเจ้าตลอดชีวิตไม่เหมือนกับโซโลมอนครับรักษาแต่ต้น แต่ตอนปลายนั้นทิ้งพระเจ้าไปกราบไหว้พระอื่นพระที่โซโลมอนกราบไหว้ที่ถูกอ้างอิงที่นี่ก็คือพระอัชโทเรตเทวีของชาวไซดอนพระเคโมชเทพเจ้าของโมอับและพระโมเลกเทพเจ้าของชาวอัมโมนอันนี้คือเทพเจ้าของคนต่างชาติซึ่งเดิมทีเผ่าพันธุ์พงพันธุ์ของเขานั้นก็เป็นญาติพี่น้องกับอิสราเอลหละครับมีแต่ชาวไซดอนเท่านั้นที่ไม่ใช่พี่น้องครับ กษัตริย์โมนเห็นแก่การจันหลงความมีมา้า ม, มากเมียมากแล้วความมั่งคัง่งต้องปรณีประนอมครับผมได้แบ่งปันไปเมื่อวานนี้ครับต้องปรณีประนอมหลักการต่างๆเพื่อให้จันหลงไว้ด้วยสติปัญญาของตัวเองโดยไม่คํานึงถึงพร ะ, พระบัญญัติของพระเจ้าสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้แท้ๆครับแต่ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ไม่ตั้งอยู่ในกฎเกณฑ์ เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่น่าเสียดายเสียใจกับราชวงศ์ของโซโลมอนไปไงก็ตามครับพระเจ้าก็ยังรักษาพันธะยาของพระเจ้าที่ทําให้กับกษัตริย์ดาวิดพระเจ้าบอกว่าเราจะไม่ริบทั้งอาณาจักรไปจากมือของโซโลมอนเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ที่เราได้เลือกสรรผู้ซึ่งเชื่อฟังคํามัญชาและกฎเกณฑ์ของเราเราจะอนุญาตให้โซโลมอนครองราชไปตลอดชีวิตแต่เราจะริบอาณาจักรจากมือลูกของเขายกให้ เจ้าสิบเผา่าเจ้านี่หมายถึงเยโรโบอัมและเราจะยกเผ่าหนึ่งให้ลูกของเขาชื่อเรโหโบอัมเพื่อดาวิดผู้รับใช้จะมีดวงประทีบต่อหน้าเราเสมอในเยรูซาเล็มซึ่งเราเลือกที่จะสถาปนานามของเราพี่น้องครับเป็นบทที่11ที่น่าเศร้าเสียใจมากไหนที่สุดโซโลมอนกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ พยายามสังหารเยบอมแต่ก็ไม่ได้เยบอมก็หนีไปพึ่งกษัตริย์ที่ชักแท้จริงแล้วกษัตริย์ที่ชักเนี่ยเป็นฟาโรอิปตั้งราชวงศ์ใหม่ครับซึ่งไม่เกี่ยวกับราชวงศ์เดิมซึ่งราชวงศ์เดิมนั้นเคยส่งลูกสาวมาเป็นธิดาฟาโรนะครับมาเป็นภรรยามเหสีของโซโลมอนดังนั้นเองอิทธิพลของมเหสีโซโลมอนนั้นจึงไม่สามารถที่จะใช้ได้ต่อไปแล้วหมดยุคแล้วครับพี่น้องครับ เมื่อเยโรบอัมหนีไปที่พึ่งนะครับกษัตริย์ที่ชักอียิปต์และอยู่ที่นั่นจวบจนกระทั่งโซโลมอนสิ้นพระชนน์พี่น้องครับบางครั้งไม่ต้องทาอะไรนะครับรอให้เขาตายอย่างเดียวและเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็จะใช้คนของพระองค์มาดูแลประชากรของพระองค์แทนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะได้บทเรียนผมได้บทเรียนอย่างหนึง่ง พี่น้องอาจจะได้บทเรียนอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าเราจะต้องไม่ออกจากหลักการแห่งพระเจของพระเจ้านะครับอเมน